สมุทรฐานนะครับสมุทรานก็คือทางเกิดขึ้นในอาบัตเสียเชื่วว่าจ็สิบห้าข้อเกี่ยวข้อพืชที่ควรศึกษาที่ควรปฏิบัติตามเกี่ยวข้อมลยากตา่างใช่ไหมตั้งแต่การมุ่งเห็นการเข้าไปในระ่างบ้านการขบฉันจนถึงการถาร่ายอุจจาระปัสาวะนะครับที่เป็นวินัยของพังนะ ทีนี้ก็มาดูตรงสมุทฐานทางเกิดขึ้นอาวัตนะครัสมุทฐานเป็นต้นในเศรษฐีวัฏฐาบทเพื่อแสดงสมุทฐานเป็นต้นในเศรษฐีวัฏฐ์นี้เพิงทราบตะกินอากาศดังต่อบเปนีพ้พิสุทธุดเอาเอาชี้ได้ไหมผมเลยครับสี่สิขาบทครับสี่สิขาบทที่เกี่ยวกับอุชชันที่กะสิขาบทเกี่ยวกับหัวเราะนะหัวเราะเข้าไปในระเบียบมากเข้ามึงครับ หัวรองเสียงดังสองข้อเข้าไปนี่มันเดินไปนะครับข้อหนึ่งแล้วก็นั่งในระเบ้าบ้านข้อหนึ่งถ้าจะหัวร้อเสียงดังไม่ได้นะเวลาเข้าไปในระเบ้าบ้านนะถ้าอย่างมากคือเวลามีเหตุที่จะทําทให้หัวร้องนะก็แค่ยิ้มแย้มมันพอจะมาหัวรออ้องเออหน้าทไมอย่างงี้ไม่ได้เป็นอาบัตเลยนะเนี่ยเป็นบัตรกดมันเป็นเกียรมายากของพระเกียรในระเบ่าบ้านนะ แต่ว่าในวันนี้เป็นไรสองสิกขาบทนะครับและอุจจาสัทถสิกขาบทก็อสองข้อเหมือนกันพูดเสียงดังเข้าไปละ ว, ว่าบ้างเขาพูดเสียงดังไม่ได้อีกนอกจากว่าแสดงธรรมรู้สุภป ร, ริศอย่างนี้อได้่แต่ถ้าปกติธรรมดานี่ไม่ได้นะมันนั้นค่อยขนาดไหนครับมันไปค่อยก้เอจไไม่ด ค่ อ, อยสเนะไม่พูดดังเลยนะครับือแต่ว่าเวลามีอันตรายยิ่งได้นะมีอันตรายอาผ่านะครับหลายอย่างตรงนรง น, นาบัตรสองข้อนะครับเวลาเดินไปข้อหนึ่งเวลานั่งข้อหนึ่งอย่าละใบบ้าง <c oughs> หนึ่งสิกขาบทที่เกี่ยวกับพูดทั้งที่มีคําข้าวอยู่ในปากอืมอย่างชนะหันอยู่ น, นะก็พูดแล้งไม่ได้เลยข้าวอยู่ในปาก ห้าสิขาบทคือการนั่งอยู่บนพื้นบนพื้นดินธรรมดาแสดงธรรมแก่ผู้นั่งอยู่บนอาสนะข้านั่งบนอาสนะ จ, จะเป็นตตองเตียงต่างอาสนะให่ไหมอะไรแม้แต่ท่อนย่าอะไรท่องว่างนครับนี่แหละนั่งอยู่บนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่ผู้นั่งอยู่บนอาสนะสูงข้อหนึ่งยืนอยู่แสดงธรรมแก่ผู้นั่งอยู่ เดินไปข้างหลังแสดงธรรมแก่ผู้ที่เดินข้างหน้าอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่ผู้ที่เดินอยู่ในทางในหนทางใช่ไหมเราออกเดินออกไปนอกทางยครับแสดงธรรมคนที่เดินในหนทางเนะี่ยเข้าอยู่ในที่สูงกว่าหรือว่าหนทางที่สะดวกกว่านะ้นอันนี้รวมแล้วเป็นสิบสิกขาบทเป็นสมนุปทาสนาสนุฐานเกิดทางกายวาจาจิต เอาว่าจิตก่อนจิตคือไม่เอื้อเฟื้อนะไม่เอื้อเฟื้อที่จะประพฤติปฏิบัติตามใช่ไหมครับไม่ใส่ใจที่จะทาตามนะอืครับกายก็คืออะไรเมื่อกี้น่ะหัวรอกใช่ไหมหัวรอกนี่เป็นกายหรือวาจาครับวาจาที่กายกายอไรแพูดออกมาไม่รู้ไม่จับความหมายไม่ได้ไม่วาจาเหรครับอันนี้ผมมีวาจาด้วยนันนี่หัวรอกนะ ม, มีเสียงมีเสียงมันไม่วาจาทําวาจาเขาที่เดินไปหรือว่านั่งแล้วบ้าบ้านเป็นกายครับเ<อ>นี่ยนะอาจจะสื่อให้เขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่นะอันนี้ถือว่ากระทางวาจากระทางวาจาเนี่ยนะี่เนี่ยอันอยรู้ให้ดีนะครับเจอหลายข้อแล้วนะ เมืก่อนสงสัยเสียงเป็นทางไหนท่านก็จะบอยทางวาจาในการหัวรอนนะเน่นี่ตองมีวิีแกออกมา่เรองความเป็นธรรมอ่ะก็แค่เสียงที่เรื่องของติดที่มันแบบโลภสุมาักษณ์แในฐานะของพิณานี่ถือว่าเป็นวาจานะนี่ทางวาจานะครับทางวาใจที่เนี่ยที่เกี่ยวกับหัวราอนท่เราพูดเสียงดังนะ พูดคํำข้าวอยู่ในปาเนี่ยเกี่ยววาจามาเลยและสเหลื เ, เกี่ยวการแสดงธรรมใช่ไหมครับมันจะมีวางจาเข้าไปหมดเลยนะทุกอันเลยส่วนการคือการนั่งหรือว่าการยืนหรือว่าการนั่งบนพื้นใช่ไหมนะครับนั่งบนท่าทีนะ่ต่ำยืนนะเดินข้างหลังเดิอนนอกทางนี่นะเพราะมันมีครบนะครับจิตที่ไม่เงือเพื่อวาจาที่หัวลออพูดว่าสแสดงธรรมออกมาและก็การเกี่ยวกับการใช้อีเดียมต่างๆที่ว่า ไปสางสุดานสุดท้ายหนึ่งเลยคือกายวาจาริตนะครับบรรดาสิขาบทเหล่านี้แต่ละข้อจัดเป็นกิริยาต้องพ่อกระทําเราไม่ ท, ทําเสียก็ไม่ต้องอาบัตใช่ไหมก็ไม่ต้องหัวเราะเ่ยก็ไม่ต้องแล้วแต่ที่ต้องเพราะว่าเป็นกิริยาสัญญาบิโม้พ้นได้เพราะไม่มีสัญญาถ้าเราไม่ได้เจตนานนั้ไม่ได้จงใจ่วงละเมิดนะครับเผลอสติหรือไม่รู้นี่นะอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติ เขว่ า, มา ไ, ม ไ, ม ไ, รรไม่รู้ที่นี่ไม่ไม่ได้หมายเขว่าไม่รู้ภาพมันใหญ่นะไมหมายว่ามันใหญ่หมายเขาว่าไม่รู้วัาถุกนะครับไม่รู้ถึงการลุละเมิดตรงนั้นนะไม่รู้ว่าหัวล็อกอย่างเงี้ยเป็นหัวลอกเสียงดังอันนี้ว่าข้อยิ่สุดแล้วนะหัวล็อกเสียงดังไปแล้วนะครับอันนั้นนะชื่อว่าไม่รู้ไม่รู้สิงที่ลุะเมิดไปนะครับพอได้นะเธอสติไม่จงใจแล้วพวกนี้ไม่ต้องอาบังนะครับมีอันตรายอาภาษ่าเนี้ยนะได้ ส จ, จิตตะกะมันต้องเจตนาเท่านั้นเนี่ยต้องอาบัติครับโลกับวัชชะเนี่ยเป็นอกุศลหนึ่งเดียวเพราะมาจากใจที่ไม่เอือ้อเฟื้อไม่ใส่ใจที่จะพูดปฏิปตาตานครับอกุศลหนึ่งเดียวเป็นกายกรรมก็มีวัจจิกรรมก็มีเป็นอกุศลจิตนะครับอกุศลจิตนั้นใจที่ไม่เอื้อเฟื้อภาพบัญญัติตรงนั้นเป็นอกุศลทุกขเวทนาครับดวงที่ไม่เอื้อเฟื้อนั้นเป็นโทสะนะครับไม่ใส่ใจที่จะทําตามนะ อันนี้ต่อไปสูตโพธนาวินยักสิกาบทเกี่ยวอะไรเนี่ยพิสุไม่เป็นไข้ขอแกงและข้าวสุกนะกับผู้ที่ไม่ใช่ยามไม่ใช่ปอนามาฉันข้อหนึ่งเป็นเถรยากศฐานสมุทฐานโอข้อเลี้ยนนั่นเลยเกิดทางกายกับจิตนะครับและกายวาจาจิตเอากายกับจิตเอามีกายเนี่ยกายคือขอด้วยกายกันนะแล้วก็เอามาฉัน เนี่ยมีกายตลอดเลยนะแต่จิตก็คือจิตที่มันจเคื่อต้องมีอยู่แล้วครับอืมข้ากอดขาเลยขอด้วยกายทกที่เอาออกของ้ยโอ้ยกตัวอย่างขอเงี้เลยครับขัเงี้ยหรือว่าเสงไปถึงตะปุยเอา่าไแเขงสื่อสารแล้วก็บอกย้ออันน้มพูดสิ ทำทีเงี้ยมันเคยมียกตัวอย่างนะอันนี้พอเทียบเพียงได้อินทราเขาอันนั้นไม่ได้ขอเรียนตมีการทำนิ้วมิดนะครับท่านเดินทางไกลเดินจานิ้ไปอย่างเนี้ยนะแล้วก็น้ํำดื่มท่านหมดนะครับท่านก็เลยไม่จะทำในดีจะไปขอยงก็ไม่ได้ท่างไม่ใช่ยามไม่ใก่อนนะก็เลยหาอุบายกัน ท, กท่านก็เลิกออกนะท่านเลิท่านก็เอากระติกหน้าของท่านนะ ทำเนไปเทต่หน้าโยอะให้เขารู้ว่าไม่มีนะนะหมด <c oughs> นี่ไหมครับไม่ได้ทานิมิตก็ไม่ได้ครับวันนี้ทำนิมิไม่ได้ครับเขอขอเขาอกขอริการใช่ไหมเราก็บอกทําม้ทำมือนะครับนี่มันหน้าเกียนะ <c oughs> มันก็จะกินข้าวไงบอกขอครับออครับ ครับอาการเรายืดนะครับผมก็ไม่เคยท้าบอกไม่ถูกว่ามันจะไม่เป็นไรเอามันเราสามารถทำการยืดให้ข้อรู้ความได้ครับ้ดูว่าปกติาขอไหนแ่ันนี้ที่ขอแบบปกติวที่ปกติขอใช่ใช่ใช่ ถ้าไปขอด้วยการพูดนิ่งใช่ไหมยืนจอดจองตรงนั้นนะ่ะได้นะครับแต่ น, นี้มันได้ยินเฉยๆนะอาจจะมีมากกวนะ่านั้นครับใช่ใช่ใชเนี่ยแล้วกเกิดทางกายวาจาจิตอันนี้ชัง่งเลยจิตไม่คเคยเฟ้อวาจาขอไปเลยนะแล้วก็กายก็ออมาฉันพออันนี้มีข้อเดียนะที่เป็นอย่างนี้นะครับอย่าการขอไม่ได้เป็นคข้ขอแกนี่ข้อสุดมาฉัน เป็กิริยาต้องประกาศธรรมสัญญามิโม้พ้นได้เพราะไม่รู้นะหรือไม่จิตนาจิตกะเหมือนเดิมนัะโลกวิชาอคติสาริจิตเดียวกายกรรมก็มีวิจิกรรมก็มีอกุศสรจิตทุกขเวทนาเหมือนเดิซึ่งแตสิกขาบทคือฉะัตตปาณิสิกขาบทแสดงธรรมแก่คนที่มีร่มหนึ่งผ่านไปแล้วคนที่กั้นร่มนะหรือว่าไม่ได้กั้นก็นแล้แต่ แต่มือเขายัางถือโลกอยู่เนี่ยพระจะแสดงทําให้เขาฟังไม่ได้นอกจากว่าุคนนั้นป่วยนะครับหนึ่งนะท่านดาบปาณิสิกขาบทแสดงทําแก่คนที่มีไม้ฟองในมือเนี่ยไม่ได้แต่ต้องไม้ฟองที่สี่สองนะยางขนาดนี้ด้วยสั้นกว่าหรือยาวกว่าก็ไม่เอานี่ค่สมส่สองธรรมดาสี้สองแท่งไม้ก็จะประมาณสองเมตรนึงเลยศัทธาปาณิสิขกาสาาขาบทแสดงทํามแก่คนที่มี สตราในมือเหมือนกมีดผู้ดาผู้อะไรนี่นะครับอารุทมีคมนะอารุทท้าปานศิษขามบทนะครับแสดงทํามแก่คนที่มีอารุทในมือได้แก่ธนูแล้วก็ดูษฎีปานทุกกาสิษขามบทแสดงทําแก่คนที่อะไรนะสวมเขียงท้าใช่ไหมครับเขียงท้าอ่ะรองท้าอีกข้อหนึ่งนะเขียงท้าใช้เที่ยงนี่นะแต่ว่าทําด้วยไม้หรือว่าทําด้วยเหล็ก หเห็นไหมเกียร์ใ ช, ай, ช, ай, ช ай. ่ใช่ใช่แล้วก็อุปาหานะสสิขาบทเนี่ยแสดงธรรมแก่บุคคลคู่สวมรองเท้าเขาจะสวมอยู่หรือว่ายืนเหยียบรองเท้าก็าแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำนั้นคครรัับบไม่ใช่แค่เกียร์รองเท้าธรรมดาแอ่เขาทำเรื่องมาครับคนนี้ใครดูหนังไหมมันเป็นเด็กหนะพวกอะไรคนยี่ปุ่นหรือคนจีนที่ว่านนะังตะตูอะไรนี่าง้ยนะ ก็จะมีใส่เกี้ยงนะครับอืมขานั่นแหละ <c oughs> ยาหนะ้สศกขาบทน ะ, สะแสดงธรรมแก่คนที่เป็นไข้ผู้ไปในยานนะแต่ถ้าเรานั่งไปเข้าด้วยมันเป็นไรนั่งเสมอการ น, นะครับหรือว่าสูงกว่าหน้าได้ใ ส, นะส่ยาหน้าศีรษบทสแสดงธรรมผู้ที่เป็นไข้ผู้นอนอยู่นะครับ <c oughs> ต้องนอนด้วยกันอสิสระธรรมได้เพราะอิยาบทนอนถือว่าเป็นยาบทที่สบายที่สุด ถ้าพระ น, นั่งหรือว่านั่งยืนเนี่ยแสดงธรรมเปคนนอนไม่ได้นอกจากว่าเขาป่วยไม่สบายแล้วก็ไปแสดงได้อนอครปารัสติกาสิกขาบทแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งรัดเขาเวสิตาสิกขาบทแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้อะไรเอาภาพพันศีรษะนะค ร, รับหรือาภาพพกศีรษะนี้เอาพันถึงขนาดว่าไม่เห็นปลายผมเลยนะมิดเลยออื อ้คุติีตาสิกขาบทแสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นข้ผู้คุมศีรษะก็ภาพคีศีรษัหนึ่งนะอันนี้สิบเอ็ดสิกขาบทเป็นธรรมเทศนาสมุฐานเกิดทางวางจาถึงจิตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกายนะให้ถึงจิตไม่เอื้อเฟอวาจาก็แสดงออกไปนะแสดงธรรมตรงนี้ต้องทําให้เป็นภาษาบาลีด้วยนะถ้าใจมึดๆนั่นอัตตกาถานี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็ ไม่มีการปรับอามบัตจริงๆไม่สงเคราะห์ถ้าเราจะเอื้อเฟื้อก็ได้อันยังมีการเอื้อเฟื้อแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ทําใช่ไหมแล้วก็ให้เขาถอดรองเท้าเพื่อเอื้อเฟื้อได้แต่ว่าในฐานขอการปรับอามบัตยังปรับไม่ได้เพราะระบุไว้แล้วว่าธรรมะนั้นคืออะไรทีนั้นนะอ๋อใส่หมวกนี่มันมันปิดไม่ไม่โยม ถ้ามุนปิดมิดก็ก็ไม่ได้นะเหมือูกเสือใช่ไหมเห็นปลายผมไหมเห็นอะไรเป็นไรถ้าเห็นเส้นผมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะหรือถ้บอกว่าถ้าเขาปิดจนมิดเลยเนี่ยให้ท่อยโชวเห็นปลายผมจะหน่อยเนี่ยก็ถือว่าแสดงท่าให้เขาฟังได้แล้ว อย่างนี้นข้อนี้เอาอย่างนี้จริงๆนะครับว่าพันหรือว่าคลุมจนมิดเลยนะไม่เห็นเส้นผมเลยครับแก่คับากครับคือแม้ขณะที่วินทบาทยอใส่บาตแต่ยมต้องการข้อนี้ยยมต้องขอรับไหมหรือว่าแม่แต่รับเขาไม่ใส่เขาไม่ขอเราก็ให้ได้ถ้าเรอยากจนให้โยมใส่บาตก็ขึ้นนังเลยนะนั่งยกมือไหว้มาเช้าผมยริงๆนะแล้วนา่งโกงหัวเลยนะ ยาหวผมไเดต้องมาดูจบผมไม่ได้แต่ให้พรนะผมว่าเออเห็นคนมาแล้วแล้วขาก็ไม่ไ่้ไหวนี่นะเขาึ้นเขาคงคิดว่าผมกูให้พรนยคงจักรลาวับว่าท่านตี๋ลำบาถ้าต้องให้พรหนึ่งมันจะกลับมาวัดช้าหนึ่งเดืนลำบากนะเนี่ยถ้าเราจะถามเขาได้ไหมได้ถ้ามีถามได้ไหมถาม บาลีก็ได้เขาเยืนก็แล้ครับใช่ใช่ใช่ภาพดีภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาบาลีเนก็ไม่ได้ในระยะอะไรหกเมฆใช่มนี่เหรอศูนะ1สองสองหกเมฆใช่ไหมครับไม่มีบรุษพูเรียนาษาอยู่ไม่มีใครอยู่นะครับ<ม> ผู้หญิงอยู่กานอาบัติได้ไหมครับนะไม่ได้ไม่ได้เกียวกัการแสดงธรรมครับเกียวกัการแสดงธรรมแต่ผู้หญิงไม่ได้นี่นะต้องรู้เรื่งสารอยู่ด้วยมันจะได้อ่านนะอ๋อใช่ใช่มันจะมีอานบัตรไอ่านนะในเกี่ยวกัการแสดงธรรมแต่มาตุคามในข้อนั้นเลยผู้หญิงแม้แต่ร้อยคนก็ไม่ได้ ยิ่งต้องอาบันเทื้อเข้าน่ะ <c oughs> นัาตามนุ่นทีอย่างเงี้ยนะอันนนะครับอันนี้อันนี้เป็นธําเทศนาสังขานเป็นกิริยาสัญญามิโม่สจิตติะาะแล้วกกัปชาะวัจีกรรมอกุศสลจิตทุกเวทนาดีกว่าน้ำมันกินะะน้ำปอกตามจํานวนบาท ที่มัเกิดมาใชหครับมันแสดงได้มันช่วยไม่ได้เลยน ะ, สะแสดงทําได้อย่างมากกี่บาทนะครับภาษาบาลีเลยแตยังผู้หญิงเนี่ยหกบาทยังได้นะอธิวาเนี่ก็ยังได้นะว่าไรไปเลยเอาแค่อภิวาพอจะไปต่ อ, อยังปอยู่นะครับงานสี่บาทใช้ได้นะี่ยังต่อยสองบาทได้นะครับแล้ก็ไม่ต้องให้ยาก็ให้สั้นๆนะ ให้แกลูปขึ้นหรือว่าถอถา น, น้องช้าง้นนั้นเองนะครับไปนะครับ อ, อะอไรนะะยังไงนะอรยังไงนะโง่ยังไนะโง่ยังไงนะโง่ยังไงนะโง่ยังไนะโง่ยันะโยังไงนะโง่ังไนะโง่ยังไงนะโง่ยังไงนะโง่ยังไงนะโง่ยังนะโ่ยังไงนะโง่ยังไงนะโง่ยังไงนะโง่ยัไมไนะโง่ไงนะนง่ยังไงนะโา่ยังไนะโ่ยนะโยังนะโง่ยังไงนะโ่ยั้ไงนะโยัง ไ, ไนะโง่ยัไนะโ่ยไงน่ไนะ ต้องรู้บางที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทมาจะในพระบาลีตฐานหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาเขาเป็นอะไร <S <S ตอ น, นั้นเกิดถ้าเกินนเยอะนะครับเขาเรียงไม่ยากนะที่ได้บอกไปแล้วนะครับถ้าจำเป็นต้องให้พวกเขาต้องการเราให้เข้าลูกขึ้นถ้าเขาไม่ยอมลุกขึ้นเราก็ให้ภาษาไทยครับอายุมากขุนยืนยังมีความสุข อ, อย่างยุ่งยืนเขาว่าไป นั่นแหละไม่ต้องให้อะไรอย่างเั้ยน่ะไม่เหมือนกันฮนะ น, น, นะ น, สสนี่นะแต่ให้สาธิตคาบทที่เหลืองครับที่เดหลือจางนี่นะมีอะไรนุ่งไม่เป็ปริมณฑลเมตต้นใช่ไหมครับนะข้อว่าจากนุ่งปริมณทนจากของเป็นปริมณฑนลครับคือเรียบร้อยทุกด้านนะ ใหส้สิศขาให้าสามสิขามบนที่เหลือมีประเภทแห่งสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับปฐมปราชสิกขาบทก็คือกายจิตนะครับจะเกี่ยวกา ย, ยานะฮะแล้วก็จิตไม่เอื้อเฟื้อกาย ก, ายก็นุ่งไม่เรียบร้อยผมไม่เรียบร้อยใช่ไหมอะไรต่อล่ไม่ได้ปกปิดกายให้ดีปแปะแว้งบ้า น, นแล้วแว้งบ้ า, บาไม่สํารวมกายนะครับปแปะแว้งบ้า น, นแล้วแว้งบ้าแล้วก็อะไรอีกครับ ไม่สำรวจแล้วก็มองเกินชั่วแฉะมองไกลเกินสองเม่นะเวลาเข้าไปแนลำไส้มากเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมองตําๆนอวจามีอันตรายข้ามถนนอะไรพวกนี้นะถึงจะได้นะแล้วก็อะไรนะครับไม่เวิรผ้าเวิรผ้าขึ้นเคยเห็นไหมเวลาห่มคลุมเน่ะแล้วผ้าก็เวิรผ้าขึ้นมาตรงนี้อ่าอ่าถ้าว่านั่นแหละนั่นแหละ มุทธรรมดาก็แลกแต่ว่าได้แค่นั้นแหละอะนั้นไม่ได้้ะต้องอามัติหน่อยทีนี้ท่าบอกว่านม่สมุททางสองคือการอย่งจิตไม่เกี่ยวกับารพูดจาอะไรนะมีอันตรายมยอันตรายอยู่ในอาณาบัตทั้งหมดนะอันนี้จบการที่บาลสุขาบทที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมทั้งสิบเก้าข้อ การที่บาลเหมวยเสีเคยียวัตในอันตรกรถาพูปาติโม่ชื่อว่ากาังขาวิตรณีจบแล้ว ร, ระการชนิดจบเลยไ <c oughs> ม่เหลือข้างหลังอีกหน่อยนะแล้วในนี้หนังเนี่ข้างหลังมันมีเยอะอะหาเลยในตู้นะเพราะว่าเรต้องใช้แล้วมีอุปรกรณ์จะได้ใช้นกนะารที่จะอธิบายมวน ตาจะได้ขึ้นอธิกรณนะคอธิกรณ์เปิไปแน่ห <c oughs> นึ่ง้อยเก้าสิบเก้าเลยแค่จะจ่น้ยเก้าสิบเก้าหนึ่ง9้อยเก้าสิบเก้าตรงเพราะว่าอันที่กรณาสมัช ถ, ถีกเทท่านทั้งหลายทำสำหรับระงับอธิกรณ์เจ็ดอย่างเหล่านี้ ย่อมถึงซึ่งการสวดโดยหัวข้อเพื่อระณับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วสงเพึ่นให้สำ ม, มุขาวิไนเพิ่นให้สติวิไนเพิ่นให้อมุลหาวิไนเพิ่นปรับตามปิติญญาเพิ่ระงับโดยอาศัยเสียงข้างมากของธรรมวาทีเพิ่กระทําตัสัปาฏิยาสิกกรรม ซึ่งกระทำติณวัฏขาลกักรรมสงพึงระงับด้วยธรรมสำหรับระงับอธิกรณ์เจอย่างดังนี้ในท่านทั้งหลายทำสำหรับระงับอธิกรณ์เจอย่างข้าพระเจ้าแสดงแล้วข้าพระเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือข้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองละ ข้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สาว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในคำเหล่านี้ดังนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความพ้อนะไปด้วยอาการอย่างนี้อาทิกรณะสมทุทุเทจกนะครับมีเพื่อนฟังให้สั้นก๋จวมีคำอธิบายนะครับอาทิกรณะสมทุทุเทศ อธิการณ์สมถนะนั้นมันจะมีสมถะนะครับแล้วก็อธิกรณ์นี่ขนานน่ะมีอธิกรณ์นะครับอธิกรแล้วก็อธิการณ์สมถะครับอธิกรก็คือเรื่องราวคดีความที่มันเกิดขึ้นต่างๆของพระนะเรียกว่าอธิกรณร์อธิกรมีสีอย่างเดี๋ยวก็ว่าข้างหน้านะครับส่วนอธิการณ์สมถะวิสังว่าสมถะสมถะแปลว่าสงบมรงโอบ ได้แก่ธรรมะเนี่ยที่จะเอามาใช้ระงบับอธิกรณ์เรื่องราวคดีความที่มันเกิดขึ้นเองมีเจ็ดอย่างซึ่งอธิกรณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะมีวิธีการระงบับที่แตกต่างกันนะ่ลาอย่างนะครับเ น, นี่มีเจ็ดอย่างด้กันที <c oughs> นี้ก็มาดูคําอธิบายกันเปิดไปหน้านะครับหน้าสองร้อยเปไฟหน้าเลยอธิบายโดยสังเกตอธิกรณ์สี่ เรื่องที่เกิดขึ้นที่จะต้องละง้อด้วยสมถะจิต่างชื่อว่าทิกรหนึ่งวิวา ท, าทิกรมีการทะเลาะวิวาะกันเกิดขึ้นโดยอาศัยเรื่องสารเหตุสิบแปดอย่างเช่นเถียงกันว่านี้เป็นธร ร, ร, รนน ม, รกกรรม น, น, นี้ไม่ใช่ธรรมเป็นต้องนะครับนี่เคยอยู่วิวาธิกรวิวาะกันเลยนะทะเลาะกันนะคะเกี่ยวเรื่องธรรมวินัยอู้่ผมเขียนว่าทะเลาะเกี่ยวเรื่องธรรมใช่ไหมนี้เป็นธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมนะครับ ข้อการเรื่องวิไนนี้เป็นวิไนนี้ไม่ใช่วิไนนะนี้พระเจ้าตัดทาง์สิทไว้นี้ไม่ได้ตัดทาง์สิไว้นี้พระองค์ส่งประพฤติมานี้พระองค์ไม่ได้ส่งประพฤติมานี้พระองค์ส่งม alone. ันอย่านี้พระองค์ไม่ได้ทรงมันอย่านีครับนี้คืออาบัต์นี้เป็นอาบัต์นี้เป็นเป็นอาบัต์นะนี้เป็นอาบัต์เบานี้เป็นอาบัต์นะแล้วก็อะไรนะนี้เป็นอาบัต์มี้สูงหรือนี้เป็นอาบัต์นี้สูงหรือ นี้เป็นนาบัตรช่วอย่างนี้เป็นนาบัตรไม่ชั่วอย่างนะครับเกิดการทะลอกกันเรื่องนี้นะครับมีก็มีนะมีโดยเพาะเรื่องเกี่ยวกัเรื่องทาเรื่องวินัยเราจะเจอเยอะนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าจ้างก็ไม่ค่อยเจอหรนะเรื่องวินัยนีก็มีพรามบาอย่างตีความไม่ลงกันนะครับเถียงกันเลยทีท <c oughs> ีไม่เถียงมาแล้วนะก็เกิดโทรศัพท์มึงมะส่าทิ้งอะไรอีกหลายอย่างนะแต่มันมันเกิดได้นะครับ ถ้าใครมีวิธีต้องระงับด้วยสมถะนี่ย่างนะนะครับวิธีระงับให้แล้วเขียนเรื่องธรรมเหมือนกันได้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัตินะครับผูดยังไงก็ไม่ลงกันแต่ละสํมงานนะอนละอย่างคนละอันใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ถ้าถือว่ามาอยู่วัดเดียวกันแล้วเกิดการถกเถียงกันน่ะไรเช่นเรื่องธรรมะนั่นแหละเฉพาะการปฏิบัติที่เราจะเจอกันนะถือว่าเกิดที่ก่อนขึ้นแล้วนะครับงั้นนะถือว่าเกิดที่ก่อนแล้วเนี่ยต้องระงับนะําจริง ถ้าลำบางมือนกันนะถ้ามาอยู่สืว่าถ้าถ้ารูปหนึ่งนเนี่ยแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านมาเห็นด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมะครับถ้าว่ายินกลารของท่านไหนว่าอย่างนั้นเท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกใช่ไหมนี่ก็อยู่กับลำบากนะเ <c> ก <oughs> ิดทีวิตไม่เสมอกันแต่ถ้าเงียเ้ยเงยก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ก็ไม่เป็นไรไม่ขัดกับใครใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่เงียมนะมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ้เกิดที่ก่อนชีวิแน่ นีพอเกิดเรื่องต้นมาแล้นับนั้นนะตีละทางประชุมสงเลยมาคุยกันเปิดหลังคากันีว่าอย mm ่า hmm. งนี้งงครับแล้วก็มาวมิ่งใช้กันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ชื่อว่าวิวัรนาที่ก่อนง่ายๆการทะเลา ก, กันเกี่ยวเรื่องทำเรื่องวิน็นต้นนะต่อไปสอบอนุวัฒน า, ท, าที่ก่อนมีการด่ากันโจกันเรื่องอาบัตเกิดขึ้นครับการโจกการฟ้องร้องกันนะ ว่ผมไปเห็นผ้าพรูปนั้นไป็นต้อนรบกับปราชิบไปเมีย อ, อะไรกับผู้หญิงนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่เกี่ยวบปราชีอย่างเดียวนะแม่พ่ออืก่ก็แล้วแต่งนะครับการฟ้องร้องโจล อ, อยาอากอกอเกิดขึ้นนะครัี่ก็ป็นที่กออย่างหนึ่งสามอันประาที่กอมีการต้องรบกันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องรอให้ใครไปฟ้องมาโจอะไรเลยนะแค่เราไปต้องอาบกันเนี่ยก็ถือว่าเมียที่ก่อที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็แค่ทั้งหม วตใ่ทม sí, uh, ้า yeah. uh, hey. hey, hey. so wow. right. okay. นเนียทุกข้อเรทเหมือนเดมไมอารบัตอารบัตนทุกข้อนะครับมีการต้องอาบัตข้อไหนข้อหนึ่งก็แล้วแต่กองนข้อหนก็ลนะครับอาบัตตาทิกรใช่โดืองต้องทุกเนี้ยก็เป็นคาถใช่แล้วนี่ว่าอาบัตาทิกรเกิดขึ้นแล้วอย่เรานี้ะฮอาบัติกรนี้ตงั่งแย่เช่นอาบัตาทิกรในรูปเดียวใช้ได้เลยเนี้ยรูใช้ได้เลย ไม่ไม่แรงเท่ามันเองแล้วแต่กรรมสี่กิจกจรที่ก่อนนะมีกิจที่สมต้องทําเกิดขึ้นได้แก่กรรมสี่อย่างคือเป็นกิจใช่ไหมที่สมต้องทำนะครับอันนี้นั้นไม่ใช่ว่ากิงที่ไม่หมายถึงสังกกรรมสี่อย่างนะครับก็มีอัปโรกนักกรรมบอกการมกันมที่ราบทั่วการโดยไม่ต้องสวดเป็นกรรมอย่างหนึ่งถึงว่าสมจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหม ก็จะมีการแจ้งให้สงราบประกาศบอกการให้สงสารนะครับแล้วก็ทําตามมุขของสนีน้ไม่ต้องสวดอะไรนะครับสามารถทําด้วยภาษาไทยได้เลยนะนะครับยติกรรมตั้งยติเสนอเรื่องที่ประชุมสร้างอันนี้อันนี้ต้องสวดภาษาบาลียติทุติยกรรมตั้งยติเสนอเรื่องให้สร้างหนึ่งครั้งนะครับตั้งยติเสนอให้สร้างก่อนหน้าแล้วก็ส่วนดมุสาวนาในการสวดซักถาม ที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่อีกหนึ่งครั้งเณติจุตกรรมตั้งยติเสนอเรื่องให้สร้างหนึ่งครั้งและสว่วนอนุสาวนาซักถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่อีกสามครั้งเอเรียงผ่าหมดแล้วใช่ไหมครับนักกรรมสี่นะเห็มแล้วก็เออคือส่วนอ่าส่วนปฏิวัติส่วนอภิธานั้นณก็ยุ่งในเณติจุตกรรมหมดเลยครับ อะไรยกตัวอย่างยติกรรมมันจะข้อ น, นี่เรื่องอะไรยติกรรมครับลงโบราณศพนะครับเนี่ยเป็นปยติกรรมลงโบราสุ ป, ปติโมรนะรสุนาตุเมพันเดสังโขนะครับเวลาสวดตั้งยติต้องเน้นนะขล่ะเลยนะให้ถูกตามฐาน ก, นกรยาสา บ, บาลีนะครั บ, นะรบถ้าไม่สุนตามมันไม่ได้นะกมมะนะรรมวิบัตินียใช้ไม่ได้เลยเขาต้องเน้นขล่ะ ในพระวินยัยเวลาที่เกิดเรื่องราวคดีความต่างๆแก่พิสุจต้องใช้อธิกรณสมถะเจ็ดอย่างอย่างในอย่างหนึ่งต่างสมควรที่จะใช้ในการระงับอธิกรณ น, นั้นๆโดยต้องมีงพระวินัยทอนผู้ทรงวินยัยซึ่งเข้าใจวินัยดีเป็นผู้ตัดสินความับสมนี่ไม่ค่อยเจอใช่ไหม ถ้ามีในท้อไม่ค่อยเจออาทิตย์ก่อก็ไม่ค่อยเจอมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องเสนอเขาทำการแสดทอะไรหมายถึงชื่อมงี้นะผมเป็นเรื่องชื่อมเัีก็แต่กิจการที่ก่อนนี้ก็มีเลยเพราะเราลงโบสดใช่ไหมลงโบสดทุกหนเลยครับกิจารที่ก่อมีครับเบาๆเรื่องวัฒนที่ก่อนไม่ค่อยมี มันเป็นช่วงๆไปนงยุบไปนะครับ ด, นะดไปอธิกรณะสมาถะเจ็ดก็คือทำสมาถะละงับอธิกรณสี่ข้อนะครับอธิกรมีแค่สีนะแต่ว่าธรรมปิจจะเอามาละงมมับเปถึงเจ็ดข้อที่ทำและแต่กรณีว่าข้อไหนควรจะใช้สมาถะาข้อไหนมาละงับนะมาดูนะครับหนึ่งสำมุหาวินยัยวิธีระงับอธิกรที่ต้องอาศัยความพร้อมหน้าเสีย คือสังฆสมมุคามามตาความพร้อมหน้าห่งสงผู้ทํากรรมโดยต้องอาศัยความพร้องผิงกันกเห็นสงนะครับอวิบัทาที่ก่อ น, นี้แน่นอนเลยเพราะาเรื่องของเรื่องวินัยนี้ไม่ได้เลยนะต้องาใส่สงนะครับต้องมีพระสงฆ์นะมาช่วยกันวินิจฉัยเชื่อและงับที่กอ น, นะครับประชุมสงหมดเลยอย่างนะีแล้วก็ทำมาสมมุขตาความพร้อมหน้าเห็นเรื่องที่จะระงจังที่เป็นเรื่องจริงคู่กรณีเขาเสนอใช่ไหมกำลังทะเลาะกันเรื่องการปฏิบัติ เลยมันจะมีโฆษณาโฆษณากันแน่ยังไงถูกไม่ถูกนี่นะสายใจสายใจครับทั้งสองฝ่ายก็โห้โหิงการชัดเจนนะครับบอกมีหลักฐานนะครับก็คือเรื่องจริงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับอือแล้วก็วิทยาสมุขตาความพร้อมหน้าเห็นสมถะที่จะใช้ะนะครับเรื่องซึ่งต้องถูกต้องตา ม, ตามพระวินัยนะครับตรง น, นี้ถ่าหมายถึงนะไอธรรมะ สมุขตาและวิเนียสมุขตาเวลาอธิบายท่านอธิบายพร้อมไปเลยว่าเป็นยังไงท่านก็บอกว่านะครับก็คืออธิกรที่ระงับโดยธรรมครับระงับตามธรรมตามวิเนัยตามสัจตุสารนะอันนั้นแหละชื่อว่าธรรมะสมุขตาแวิเนียสมุขตานะครับตามธรรมก็คือเรื่องที่เป็นจริงที่เราจะระงับกันนะนที่นั้นนะครับตามวิเนียก็หมายเพราะว่า <c oughs> มีการ อะไรนะโจกนะครับแล้วก็ให้จําเลยแล้วถึงโทษนั้นนะแล้วก็ให้การนะครับหรือว่าถ้ามีคู่กรณีก็ให้ทั้งสองฝ่ายแจ้งเหงินตนเองนะครับชี้แจงแต่ละฝ่ายมีความเห็นว่าอะไรยังไงนะทั้งสองฝ่า น, นะครับ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายนะ ท, าทาําตามสะดุสา์นะครับก็มีการสวด ย, ยติหรือกับกรรมวาจาน ะ, นะยติสัมปทานอนิสสาวนาสัม ป, ท า, มปทานถูกต้องนะครับนี่นะ ชื่อว่าธรรมสัมผัสตาหนืสอสัมผัาตาครับบุคลาสัมผัสตาความพร้อมหน่ห็คนที่เป็นคู่กรณีนี<ฮ>่ไงหรือผูดด้ที่ก่อเรื่องไม่ใช่ทำรับหลังนะครับทำรับหลังไม่ได้นะบอส่งลงกรรมท่านแล้วแล้วก็สง่งดหมายไม่ไดนี้ไม่ได้นะครับต้องเรียกตัวมาท่าอการส่งเลยนะทํากรรมรหลังชื่อว่ากรรมนั้นไม่เป็นธรรม แล้วก็ทําไม่ขึ้นนะไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้นะครับผู้ทําก็จะต้องอา้างบัญชามันต้องเรียกมานะนะคู่กรณีหรือว่าคนที้ทําำปีที่สองจะลงกรรมนะ่ะต้องเรียกตัวมาท่ามกลางสองเลยนะครับมีการโจรก่อนนะให้จะเป็นให้การแล้วก็ทําตามปัญญาว่าเขาเล่าไงก็ทําตามปัญญานะอันนี้อันนี้นะครับทว่าสัมผัสมมข่าววินยัย <c oughs> ต่อไปสติวินัยนะครับสติวินัยนี่ก่อนนะสังขาวินยัยนี่เกี่ยวกับการทะลาะกันนะครับหรือว่าการโจยฟ้องร้องกันได้ทุกอย่างนะสามร ง, งัอที่กรได้นั้นสี่ข้อนีะครับสังขาวินัยคมนะแล้วบอุทิศกรได้นั้นสีข้อข น, นะคระับเพราะว่าถ้ามันเท่าท่ามการสงแล้วใช่ไหมก็สามระ ง, งัข้อเลยนะครับอันนี้สองสติวินัยวิธีระ ง, งัอุทิกรที่สองเพให้แก่พระอรหันต ซึ่งท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ใช่ไหมพระอรหันมีสติสมบูรณ์บริบูรณแล้วนะครับหมานคอกว่ามีผู้มันโจทย์พระอรหันต์ด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนงึ่งท่านต้องลำบากก็ต้องคอยให้การบ่อยๆเพราะพระเจ้ อ, องค์จึงอนุญาตสติวินัยไว้สำหรับพระอรหันต์โดยเฉพาะโดยต้องขอจากสงเมื่อสงให้แล้วท่านจะได้รับสิทธิพิเศษคือใครๆจะมาโจทย์ไม่ได้ ถึงโจทย์ก็ม่สำเร็จนะครับต้นเรื่องคือปัตถภาหมนบุตรถูกพิสูจน์แม่ทิยะและภูมิฉกาจหาเรื่องตามความสองรูปนี้เนี่ยไปผูกอาฆาตใช่ไหมผูกโกรธพระพระผาหมนบุตรนะครับตามรามวิหลายครั้งนะตามโจตามหาเรื่องนะครับให้คนอื่นมาโจบ้าง น, นะไปพิสุจน์มีบ้านให้ยโยบ้าง น, นะครับมาใสา่ความปัตถภาหมนบุตรนะ่ะการแด้ท่านศึกไม่ได้ อ, อะไรนะขนาดนั้นเลย แล้วพระตุผ้ามูรุเป็นผ้าทหารนะครับเวกรรนะมจะหนักขนาดเลยไปใส่ฟวามผ้าทหารนะครับทีนี้ก็ทำไ ม, ม่ต้องมาบากเลยท่านต้องคอยให้การนะครัะโดวกก็เลยส่งยุทธญาณว่าให้สติวินัยไนดะ้สติวินัยเนี่ยจะให้แก่ผ้ารหารเท่านั้นนะครับเอาผ้าทหารเท่านั้นไม่เอ็นผ้าเียบุคคลขั้นอื่นถึงผ้านาคามีก็ไม่ได้นะมีให้แก่ผ้าทหาเท่านั้นนะครับ และเฉพาผ้าหันที่ท่านถูกโจนนะถูกโจนนะครับถ้าไม่ถุงโจนก็ไม่ให้นะไม่ใช่ว่าใครผ้าหันเนี่ยมาสวสตรไม่นันให้หมดเลย <c oughs> อย่างงี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขาจะมีองค์ผ้าผมจาไม้สองข้อนะครับเป็นผ้าหัรแลวก็ถูกโจนต่อไปนะครับเพราะยังไงถ้ามีผ้าหาเนี่ยท่านจะไม่มีการจงใจนวดน้ำมื่หรือผ้าบัญญัติอยู่แล้วนะครับ ถึงไม่ถึงร้างอาหารในแค่ข้สวโดาบันใช่ไหม <c oughs> ถ้ารู้ต้งรู้ว่าผิดนะครับจะไม่มีการจงใจลุ่มละเมิดอยู่แล้วนะครับถึงชีวิตก็สะาได้นะต่อไปสามนะครับอมุหะวินันวิธีละงับอุทกกรที่สองพึงให้แก่ปิสุบ้านหมายความว่ามีปิสุบ้านอย่างหนักอันนี้บ้านขนาดนี้เลยนะจนกระทั่งแยกไม่ได้ระหว่างคู่อุจาระนะครับกับทองคา นะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับตอนเสียสติไปเลยเนี่ยคนที่มีสติสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็มีการให้สติวินัยนะแในคนที่เสียสติไปเลยก็มีการให้อำมุนหาม่ไนนะครับอำมุนหะคือว่าเป็นบ้าที่ไม่หลงนะครับคือ คนที่เอามูลหาไม่หลงสิงมูลหาหลงใช่ไหมมาเพราะว่าให้เหตุที่สุดผู้หายบ้างแล้วนะอันนี้หายบ้าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นท่านบ้าก่อนบ้าจู่แบบเสียสติไปหลายช่วงนั้นนะช่วงนี้ท่านบ้าอยู่แบนี้ได้ทําการแล้วเมิดอ่านที่ไหนมากมายโดยไม่รู้สึกตัวนะครับทั้งที่กราวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายนะไม่รู้ทําอะไรไปบ้าง น, นะครับทั้งด่าคนอื่นกินข้าวเย็ยนอะไรสารพันนะแต่ท่านไม่รู้เหมือครับ อ่าพอหายพอหายบ้านใช่ไหมถ้าจะบ้านทช่วงๆนะครับนีพอแล้วหายบ้านแล้วมีพี่สู่อมาโจทย์ท่านทําให้ท่านต้องลำบากนะครับท่านก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องแต่นนั้นผมเป็นบ้าผมทำเป็นตอนเป็นบ้าผมไม่รู้เรื่องท่านไม่รู้เรื่องยังผมมาเห็นอยู่เนะท่านไปกินข้าวเย็นท่านไปเล่นอะไรเนี่ยทำอะไรต่ออะไรแย่มีดีนะนี่แบบะเขาบอกผมไม่รู้ผมนั่นไม่น่าจําไม่ได้นะครับเ้าจะโจทย์ท่านได้นะ พ่อเขาบอกเขาเห็นจจาเนี่ยท่านมาแก้ตัวไม่ได้ถ้าเงินลาบากเลยนะรับลำบากมากเลยนะเพราะว่ามันทำไปตอนที่มันสีสตินะครับแล้วกลับมาโดนโจยนะนี่แหละทำให้ท่านต้องลำบากพระพุทองค์จึงอนุญาตอามหานวีในไว้สำหรับแก้แก้ไขเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยกางโดยการที่ขอจากสงก็เหมือนกันนะ สติวินัยก็ดีอมุนหาวินัยก็ดีก็ต้องให้บุคคลนั้นนะครับพิสูจุรูปมนั้นนะมาขอจะส่งก่อนแล้วพระสงฆ์ก็จะสวดให้เมือ่อส่งให้แล้วท่านจะได้รับสิทธิพิเศษคือการเมื่อที่ท่านทําตอนที่บ้านอยู่นั้นถือว่าไม่มีโทษเพราะพิสุบ้านนี่เป็นอนามบัตของทวงสิกขาบทเลยคือครับทุกสิกขาบทเลยเว้นข้ อ, อขเออดียวใช่ไหมพิสูุบ้านยังไม่ไม่มีการต้องระบัดนะครับทําไปก็ไม่ต้องระบัดนะ แม้ศึกษามนเดียวที่ไปสู่บ้าก็ไม่พ้นนะครับจำได้ไหมครับไม่ม่ใช่ครับถึงเป็นเศรษแม่ทุนนะเออไปรักของใครก็ไม่รู้หยิบอะไรมาทั้งหมดข้าวของอื่นนะครับตอนเป็นบ้าอยู่น่ะไม่มีการตั้งอาบันะครับชม่เป็นปรารถนาเท่านั้นนะเพราะท่าไม่รู้เรื่องเท่านั้นน่ะครับทําให้คนตายก็ไม่เป็นปรารถนาเช่นนะครับเอาบ้าขนาดนี้เลยนะบ้าขนาดนี้เลย เพรา่นเสียสติไปจริงๆเราไม่ไม่รู้เรื่องนะมันหายไปเลยที่มั้นอ้นมีการต้องจําได้นะครับมัีอยู่ข้อนึงแหละที่พิสูบ้างพิ่มีสู่บ้าในอาณาบัติจะไม่มี พ, สมพิสูบ้าข้อนั้นนะครับแต่ข้ออื่นเนี่ยมันจะมีหมดว่าอาวิกรจริตใช่ไหมอาธิกรมกรมกาไม่ต้องบัติอะไรแต่ข้อนั้นม่มีพิสูบ้านะครับ mm hmm. คือหมายความว่าพิสูบ้าจะไม่มีการต้องอแล้วข้อนั้น อะไรนครับอันนี้ครับนิสิตว่าอะไรครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เออบอกอตริมศุลธที่มีในตอนที่มีจริงใช่ไหมบอกแกใครบอกแกโยบอกแกอะไรมสัมัญน้ครับบอกอุตริมศุลธรรมที่มีจริง ต้องอาแบบปาะะจิตติครับเราจะนึกจะทำเพวกอมักผลนิพพานชาสมาแบบปัญญา ต, ตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีจริงแล้วก็ไปบอกไปอวนนะเขารู้คามต้องปราราใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีจริงนะท่านไปบอกนะบอกไกยโยอนุมาสัมบานแต่สัมมาเนลงไปเลยอันนี้ต้องแบบปาจิตติครับข้อนี้ไม่มีพิสุบ้านเพราะว่าพิสุบ้านนะคงเนี่ยก็ไม่ได้คุณธรรมนี้อยู่แล้วนะครับ นี่คือถ้าม e no so so so ีผ้าเรียบุคคลแล้วนะครับจะไม่มีการเป็นบ้าไม่มีการเป็นบ้าแล้วผู้ที่ได้ฌานนะก็ไม่เป็นบ้าตอนที่ได้ฌานอยู่่ะถ้าว่าจริงมีเหตุอะไรมันใหญ่ทำให้ท่านต้องเป็นบ้าน่ะท่านจะฌานจะเสื่อมก่อนเสื่อมแล้ฌานไม่ได้ฌานก่อนถึงจะเป็นบ้าได้นะเพราะฉะนั้นตอนที่มีได้ฌานอยู่ก็ดีพ้าเรียบบุคคลทั้งหลายก็ดีน่ะไม่มีการเป็นบ้าครับเพราะในสิกขาเหมือนนั้นจะไม่มีอนาบัยว่าพิโอนจริตจะเป็นบ้านม่ได้ พอมันต้องไม่ได้อยู่แล้ว mm hmm. <BE AR> อือือหหหไม่เป็นไรนะาเขาไม่เปิดนะไม่เป็นไรนะก็ฟังหน้ให้ชาได้ไนะอืหอเขาโยวก็มันมีอาบันนะโยงมันเลมีทอมีอะไรชาก็ฟังได้ ถ้าเขาไม่มีอาบัติถ้าไปฟังเขก็ไม่มีโทษ อ, อะไรนะก็ดูให้ดี ว, ว่าจริงหรือปลอมนะแต่ความจริงบางีอำนาจของสมาธิไม่แนะ่ใจ ว, ว่ า, าร่างเลือดชาดได้นรือเปล่าแค่สมาธิธรรมดานะมันต้องได้รู้ชาติปัญญาใช่ไหมได้อะไรภูกเพจิตัวอะไรนะหรือว่าจะได้ไหม่ที่ประจักษ์ขู่ก่อขยนันนะิที่มั่งนะท่านจะมีการฝึกนะครับฝึกร่างเลือดชาไดไ้้แล้วถึงยังเหตุการที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อน แในก็ค่อยเลิกเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับสาวันก่อนห้าวันก่อนนะค่อยเลิกไปเรื่อยหน่อยๆนะครับนี่เขามีกําลังสมาธิด้วยทำให้เราเลิกไปได้ แต่มันทีมันก็เกินนอันที่ถ้าถ้ามารู้เยอะเกินไปเนะส่วนใหญที่เราเจอก็คือเราเจอในคมพีเนี่ยมีแต่ธรรมดาเหมือนฤาษีใช่ไหมในส่วนขอว่าภาพวิสุขเนี่ยนะพราอริยะข้างหันเลยแต่ว่าคนธรรมดามีแต่ว่าระลึกชาติตัวเองได้ใช่ไหมว่าในอดีตเคไปทําอะไรมาใครไปทําชั่วมาหรือว่าใครมีใครมาทําอะไรไม่ได้เหยีตัวอย่างเนี้ยนะก็จะระลึกได้แต่อันนี้ห่แลวไม่ของใครแต่ใครได้หมดเลย ก็จะบทีเรื่องพวกเวลาเหมจะเขานสิ่งที่าตั้งมอะไรประมาณเนี่ยเขาอาจจะแบบทำให้เห็นด้วยทางที่โลกเปลี่ยนอะไรที่ยู่เนี่ยเป็นตปได้มคะที่เขาด้วยอำนาจของเขาเขาทาให้คนได้อได้เปี่ยนเขาเรียนกันวนะไม่รู้นะเขาจะรู้ยอะขนาดนั้นหรือพิสูจน์กบ้าเนกันแ่เราเราก็สังเกตดูลกันว่า มังคนจะสังเกตได้นะว่ามันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอก<ม>ถ้าไม่จริงนะก็จะรู้ล่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบเขาจะโอ้โโอวดว่าหลอนวงจริงนะเขาจริงมาอย่างคนดวง ม, มาอย่างพวกคนดวงอันนี้เขาจะเสี่ยงสอนกันนะหนงสือหนังสือหาเขาจะสอนหมดมันต้องทําเกี้ยนี้พูดอย่างนี้สแสดงอย่างนะี้แบบแนบเรียนมากนะคนไม่รู้หรอกามีเกี้ยงคนรวงอยู่ แต่เนี้ยเราก็ไม่รู้อะของผิดของปลไม่ได้ข้าเข้าใจผิดก็ได้ว่าเข้ารู้จริงๆเพราะบางทีอำนาจองสมาธิใช่ไหมแลม้วไปรู้นั่นรู้นี่เห็นนั่นเห็นนี่ใช่ไหมเขาเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้ในนี้นะเป็นได้ถ้าเป็นกรณีนั้นเขาก็มองว่าสำคัญผิดนะท่าก็ไม่ต้องลำบากอะไรถึงเป็นผ่านะถ้าเป็นสำคัญผิดว่าตัวไน่นบรรลุใช่ไหมถึงที่นมาไม่ไบรรลุแล้วก็ไม่ได้ต้องลำบาก ใช่ใช่ใช่แต่ที่ใครเจอนะครับที่เขาบอกว่าแม่ชีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามาเข้ากรรมฐานเขาบอกว่าถ้าเขาทำสมาธิปุ๊บนะเขาจะรู้หมดเลยว่าในวันนี้ใครทําอะไรบ้างโอหครับแม่ชีอายุมากแล้วนะอันนี้เขาเขาบอกผู้นฟังครับเนี่นต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกกําลังของสมาธินะแต่ใจก็ไม่ได้ติบไม่ได้อะไร แกก็มาปฏิบัติที่ทมีแทนเขาโฆษนาแทนเอป็นได้จริงนะถ้าลักษณะนั้ะครับแต่อยู่หูแล้วลืมได้หลายกุมหลายชาติ <c oughs> นี่ก็นะก็น่าคิดเหมือกันนะครับเสียก็จะเจอลักษณะนั้นนะต่อไปนะครับสี่ปัญญาตัระหนะกปิญญายากกาเรศพันังนะครับวิธีการเล่นล็อกิกรด้วยการทําตามที่ล็อกสารภ า, า, า, า, า, าพา เช่นในการแสดงอาบัตของที่สุที่ว่าใช่ไหมภาษาอ่อนว่าอหังทันเตสัมพุราอาปฏิโยอาปชิงตาตุหามูลยัยปฏิเทศเสนิผมคงต้องมีว่าข้านุนจเรญผมต้องบัตหลายตัวขอแสดงอาบัตเหล่านั้นกับท่านนครับไปเผยๆก่อนราษาแก่ก็เล่ว่าปัสสีอาวุโส ต, ตาปฏิโยผู้มีอายุท่านเห็นอาบัตเหล่านั้นหรือภาษาอ่อนก็เล่าว่า อามะาพันเตปสาหมินี่เขาเป็นคําล้ <c oughs> อมสรรพภาพคำาบัช ญ, ญานะอาท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นครับนะครับคำสรรพภาพของนี้นะรัภาษาแก่ก็รับว่าอายตีนอาวุโสสังวลายาสิผู้มีอายุท่านจงสํารวมเราหวังต่อไปอตอนที่รับว่าอายตีนอาวุโสสังเวลายาสีจบลงนี้อาปตาทีก่ก่อนก็อนแ้นะครับและการระงับเช่นนี้เรียกว่า ละงับด้วยปฏิญญาตักทารณะนะครับที่เราไปกองอาบัติกันตามธรรมดานะเพราะมันจะมีกำว่าอางัติเป็นเตปภาษามีมีิมันของสารภาพนะเนี่ยทำตามปฏิญญาแล้วเราก็บอกเขาว่าจงสมมติระวังในการต่อไปนะครับพอพูดเสร็จถ้าดว่าอเกนีแล้วก็ไปกอัที่องเหมือนกันจะยอ๋อตัวนั้นหายแต่ได้ตัวใหม่เข้าม่อีกตัวหนึ่ง ได้ตัวใหม่เพิ่ใหม่ตัวหนึ่งนะอตัวนั้นหายนะแต่ได้ตัวใหม่ข้อที่ว่าไฟแสดงอาบัตข้อเียกันเขาเรียกว่ามีสภาคาบัตนะมีอาบัตยิ่งเสมอกันอ่ะถ้าไม่ไส่โปร่งด้วยกันต้องใส่ปรงกับลูกอื่นที่มีอาบัตอีกอย่างหนึ่งนะอะไรนะใช่ใช่คนละวัตถุนะคนละเรื่องกันกินข้าวเย็นกับต่างย่าอย่างนี้ แต่ตัดย่ากันตัดญ่าไม่เก่งไม่ได้ไปสแสดงได้ท่านก็จะหลุดหน้ตัวนั้นน่ะตัวที่ท่านไปอะไรนะตัดญ่ามก็หลุดแต่มันจะมีตัวใหม่เข้ามมาคืออานบัตรทุกกฎอานบัตรทุกกฎข้อที่ไปสแสดงอานบัตรที่เหมือนกัน<อ>ผู้ที่สแสดงก็ต้องเพราะว่าสแสดงผู้ที่รับก็ต้องพวละนะทีนี้มันก็จะต้องควรละวัตถุควรลเรื่องล้ใช่ไหม พอคนนี้ต้องพอ้อแสดงอาบัติที่เหมือนกันคนนี้ต้องพ่อล่อาบัตที่เหมือนกันแล้วก็สแสดงคืนล่างเหมือนได้ใช่ใช่ใช่มันก็จะพ่อเข้าใหม่ตัว <c oughs> <c oughs> ท่านก็จะสแสดงท่านก็สนแสดงกลับมาไงพราะท่านแสดงคืนกลับมาปุ๊บเนี่ยท่านก็หลุดสองตัวในทีเดียวนะแต่รูปแรกต้องสแสดงสามหนึ่งครั้งเนี่ยเป็น แต่ถ้าไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าถ้ า, า้ต้องรู้ว่ามันจะมีอา บ, บันเพิม่มก็ไม่ทําทำหรอกเรก็ไปปรองกังรูปอื่นที่ถ้าไม่ได้มีอา บ, บัตเหมือนกันนะราเราีที่ต้องมาบัตคนละสองตัวเงินตัวอีกตัวนิดหน่งตามตัวตามนั้นแล้วพอทำาจต่าปรงตัวไเหมือนกันแล้วตัวไม่กันอะดูดูทจงได้ ไม่หนุ่เแล้วก็ทำใจแล้วก็แต่ในกล่าวอาสาหพับอาปิกล่าวอา้ามักราติวไม่ไม่ได้คร yes ับไม่ไ้ครับคือเราก็ต้องบอกบอกตามจริงนะครับต้องแจเขาสราบก่อนครับต้องทใจอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยคำปองมันมันออกไปหมดแล้วนะคำปองเนีนานๆวัตถุการโอยู่ใช่ไหครับแต่ว่ามันที่ใชบอกกันก่อนว่าพิจะปองเนี่ยนะก็บอกกันก่อน ไ ต, ตั้งต่างบอกตคนต่างรู้นะมันรับรงแบบนี้ต่อาเวลาการพิจรณาก็ที่เรียนว่าไม่ถู่นะครับพราะเราไม่ได้ตั้งใจแสดงตัวนั้นใช่ไหมครับตั้งใจแสดงตัวอื่นนะใช่าหมครัมนเลยที่ถามผํานผมว่าผมขอแสดงแค่ตัวนี้นะเพว่าเคยเป็นนะครับขอแสดงแค่ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็แสดงกันนั้นไป ตัวนั้นก็หลุดที่เราบอกอตัวนี้ก็เก็บไวก้ก่อนได้ครับไม่ว่าสบายใจแทแบบประเด็นที่อาูแล้วก็เ่ประิากแสดงอยู่ได้เนี่ยก็สดก็เหมือนะประบาวยกน้ก็ร่ายจะใช้ได้ในเีนีเมื่อก่อนมาร์คี่คเป็นอย่างนั้นนะบางทีก็ยังเป็น พอไม่ได้ปองอย่างทีถ้าต้องต้องไม่สบายใจนะม่ต้อง เ, เล่าถึงก่อนวันนี้นะเรามีต้องอ่ า, าอะไรหรือเปล่าอานะไรเงี้นแต่ถ้าไม่ได้นะั้นไม่ทําอย่างนั้นวิธีก็คือไปหาถ้าว่าเราไม่มีไปวัดอื่นไปวัดอื่นนะนั่นแหละถ้าวัดอื่นไม่มีก็ทําใจว่าถ้ามีพิสูจที่ไม่ได้ต้องอานบัตรยอย่างนี้มาเราก็จะปองกับท่านนะี้มีการทําใจหรือว่าการบอกอาไว้ก่อนถ้าเราบอกอาไว้ก่อนปุ๊บเราก็เชื่อว่าไม่ได้ปกปิดแล้ว มันก็ทำให้สบายใจได้ช uh, right, well ั really ้นดีกว่าที่เราู่ไปเหมือนก็ว่าในการทำผิดซ้ำให้โทษเพิ่มขึ้นอย่างเงี้เีว่อยู่าอยู่องเดียว่ะืมนมีใจก็จะไม่ได้มีใจแล้วใจได้ง่ายช่ใช่ใช่ต้องไปอยู่วัดที่มีหลายๆรูปมาถึงจะได้นั่งกันได้ปองกันได้ ต่อไปนะครับข้อที่ห้า น, นี่ข้อที่ห้า น, นี่แดอเลยนะลองดูเยปุยสิกาวิธีะระงับทุกข์ก่อนโดยอาศัยเสียงข้างมากและเสียงข้างมากนั้นจะต้องเป็นฝ่ายธรรมวาลทีด้วยถ้ายังมีน้อยก็ต้องรอไปก่อนหรือชี้แจงสิ่งที่ถูกให้บริษัทเข้าใจจนกว่าจะแน่ใจว่าฝ่ายธรรมวาลทีต้องมากกว่ า, า, าการระงับทิกขด้วยวิธีนี้ จึงจะทอบทำเพราะอย่างไรเสีเยก็ไม่อาจจะถือต่างฝ่ายธรรมบาปีได้เช่นว่ามีการทะเลาะกันเรื่องธรรมเนียรเกิดขึ้นนะครับแล้เราก็รู้ว่ามีสองฝั่งสองฝาแต่และฝ่ายก็มีพรรคพวกเยอะเหมือนกันนะมีพรรคพวกเยอะทั้งสองฝานะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมใครหรอกแต่เราก็รู้ว่าใครเป็นฝ่ายธรรมบาปีใครเป็นฝ่ายอาธรรมบาปีรู้หป่านะถ้าเป็นกรณีนี้นะครับ เราจะนั่งเงี่ยมี่ก่อนเลใช้เยฟวยสิกาอาศัยเสียงข้างมากการนั่งเงี่ยมพี่ก่อนเสียงข้างมากที น, นี้ท่านไม่ได้ใช้การยกมือมในสภานะท่านไม่ได้ว่าไม่ใช้การยกมือในสภาแต่ท่า น, นใช้วิธีการจับสลากเขาสมมุติเจ้าที่ขึ้นมารูปหนึ่งที่เป็นผู้แม่หลำเอียง น, นะแม่ลำเอียงพ่โรบก่อนลงครัวและก็รู้ว่าทํายังไงสลากเปลี่ยนจับไม่เปลี่ยนจับและจ้าที่ก็หยุดทําสลากสองสี ให้มันต่างกันนะจะม้วนไม่ม้วนก็นดแต่ทำสองสองสีนะแล้วก็ไปบอกแบบพิสูจแต่ละรูปแต่ละรูปนะก็ไปบอกแต่ละรูปว่าสีนี้นะของผู้มีความเห็นอย่างนี้นะสีนี้ของผู้มีความเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็แจ้งสลักไปเนี่ยแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันเหลือมากที่สุดใช่ไหมแสดงว่าอันนั้นได้เสียงข้างน้อยใช่ไหมอันไหนที่มันเหลือน้อยเนี่ยมีคนจับไปเยอะ เซว่าค้างนั่นได้เยอะทีนี้เนะบอกว่าถ้าเกิดอธรรมวาลทีได้คะแนนเสียงเยอะกว่ า, า, านี่จะทําังไงดีท่านก็บอกเจาหน้านที่เท่านั้นที่จะรู้นะครับจะไม่มีใครรู้เพราะจะไล่แจกทีละรูปรูปทีละรูปไปนะต้องทำนี้พอรู้ว่าธรรมวาลทีมากกว่าท่านก็จะทํานีน้บอกว่าวันนี้สลากจับไม่ดีต้องจับไหมเอเอครับ <c oughs> เอ า, เอาสลักจับไม่ดีนะครับ พอแล้วพวกนี้ก็จับมาใหม่ครับนี่นะคือหาข้อแก้ตัวนะโอ้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หสลับจําไม่ได้มันมีปัญหาอะไรนะี่นะหาข้อแก้ตัวนะแล้วก็จับเป็นใหม่นะครับเพราะว่านี่จะเอาตาทำรรมาบาลทิ้ไม่ได้นี่เอาตาทำมาบาล์ทิ้ไม่ได้ต้องตาท า, างตาทว่ไหนนะครับแต่คนนี้อาจทำเยอะกว่าไนงะเราก็ต้องบอกว่านี่ทราจะพูดศาสนานจับไม่ดีนะมนไม่ได้เป็นการมุสามันจับไม่ดีจริง พ่อฝ่าที่ไม่ดีจะได้คะแนนเสียงเยอะกว่าไงแล้วก็เรียกว่าต้องจับกันใหม่เอาไว้คุยกันมาหลังนะวันนี้สลับจากไม่ดีอย่างเงี <c> ้ย <oughs> จนกว่าเราก็รอผ้งพ่วกนะแล้วก็อธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ผ้าสงเข้าใจก่อนเผื่อว่าจะได้ผ้าพวกมากขึ้นหรือว่ารอาผ่าอื่ที่จะมาั้าพ่วงเยอะๆนะครับไล่ค่อยมาจับสลากในอี่เดียว ใช่ใช่ช่ถ้า่ประมขาพวกอันเอต้องออกมาแบบนี้นะอมใช่่ะดีไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวคนที่ปครั้ง้แต่แต่ถ้าว่าถ้าว่าอัตรอนมาว่าทีอัลตรอนมาว่าทีเยอะกว่านก็ประกาศไปเลยนะว่าอัาตํอมาว่าทีเยอะกว่าชนะแล้วเดี๋ยวจะมีอธิบายละเอีนนี้คุยฝางข้างบต่อไปหก ตัสสะปาปิยสิกาวิธีละเน่าอุทิ่กรที่สงคึงใช้กับวิสุทธิผู้ชั่วช้าคือถูกโจกย์ก็ไม่ยอมรับความผิดให้การกลับไปกลับมาการเทศทั้งที่รู้ทำให้สงต้องบาปสงจึงต้องทำตัสสะปาปิยสิกากรรมแก่เธอด้วยยติจุตากรมมว่าจาสวดโกรรมเลยนะครับ <c oughs> ด้วยเข้าใจกันว่าถ้าเธอไม่ต้องประราชิ ก็จะต้องประพฤติชอบจนได้ อ, กก อ, อ, อุปสานกรรมการรับข้อมูลอีกแต่ถ้าเธอต้องปราชิกแล้วก็จะต้องพินาศไปหมายความว่าถ้ารูปนี้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับข้าอสงสัยก็ว่าถ้าจะต้องประราชิกแล้วถ้าไม่ประราชิกก็มีเฉียดเสียวประราชิกแล้วนะแล้วก็มีคนมาโจท่านเข้านําเรื่องเข้าไปท่ามปลางสง ก, ก็มาโจ้ซักไซนะครับคนที่โจ้ก็โจ้เน่ยนะครับไม่ลดละนะเพราะเขามั่นจะว่าเขาเห็นเขารู้เรื่องนี้นะ แต่ถ้าไม่ยอมรับเลยนะครับไม่ยอมรับนะแล้วให้การกลับไปกลับมานิ่ไปนิ่งมานี่นะครับบางทีก็โกหกเพื่อที่รู้นะครับแล้วก็บางทีก็พรถูกใช่ไหมถูกข้างชั้นหนักเข้าหนักเข้าก็กลับนีะครับแต่แล้วมันก็ปฏิเสธกลับไปกลับมานี่แหละก็ผมไม่ได้ทำหรอกเขาบอกว่าท่านต้องประราชิตนะผมว่า ผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้ทำเขาบอกทั้งต้องผมเห็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ว่าไปนะบอกผมต้องจริงแต่ผมไม่ได้ต้องภราชีพหรอต้องแก้ทุกคนนะแล้วก็ซักไปซังมาบอกผมต้องปรราชีพนะออกกระทำผู้เล่นเหนักนกเลยแเลยครับอย่างนี้นะครับท่านก็จะใช้ใช้ ถืวเป็นที่สูบผู้ช่วชานะ้านะกล้าโกหกท่ามกลางสงสือว่าหนักแน่นนะครับอ<ไ>ันนี้แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมากนะปลาชิกหรือว่าฉี ด, ฉดปราชิกนะครับอย่างเช่นปลาชิกข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเศษเมท์หุนเนี่ยก็ต้องปราชิกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงกับเสเมท์หุนนะแค่ไปก่อนจุดลุกคํานี้นะอันนั้นยังไม่ถึงปราชิกหรอกแต่จะต้องแบบทุกคนทีนี้อย่างเรายังไม่รู้แน่ว่าท่านถึงขั้นไหนนะว่า ท่านแค่รูปภาพหรือว่าท่าไปเสียงในถุงแลเพราะอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเห็นจักรจั๋ในสมัยนี้แต่ท่าาจะได้ยินเสียงหรือว่าเห็นท่านเข้าไปในห้องของผู้หญิงแล้วมันก็น ม, น ม, นมีเสียงอะไรกันใช่ไหมเนี่ยนะเนียพระสงฆ์ก็จะลงลงกรรมชนี้ท่านภาษาปากปีศาจก็จะลงกรรมโดยเข้าใจกันว่าอย่างนะี้นะถ่ายังไม่ได้ต้องประลาชิตใช่ไหมท่านก็จะต้องแบบขึ้นชองนะคบคือแบบขึ้นข้ อ, นนะขอมันของสิตวิญญถูกลงกรรม คุยกับสงยองรับแล้วก็มาขอเขามาส่งคอยส่งรับข้าหมูเหมือนเดิมนครับแต่ถ้าต้องต้องปรานีนั้นนะครับต้องยังต้องพิจาาต่อเองให้ตาทั้งเป็นน้าทั้งดินนะครัาเองเพราะยังไงต้องทำตามสมบัติปยยยัญญาจริงนะไม่ป ร, รานีนได้แกไม่อยอมปัญญายอย่างนี้นะเราก็ยัจับศึกีเดียวเลยไม่ได้นะครับแต่ก็ลงกรรมโดชนช้กรรมนี่อย่างนะนอกจากว่าเห็ น, นจดจ่ะใช่ไหมถ่ายกล้องไว้อะไรไม่ชัดเจง น, นะครับถึงแค่นั้น ใช่ใช่ใช่หนะักมากเลยต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับตีหน้าวัฏานกันมิธีร ะ, ละนับอธิกรที่สองใช้ปกปิดโทษที่หน้า<ม>รังเกียรเมื่อการใช้ยากปกสิ่งสกปกไหม ท่านมีพิสุทะเลาะกันจนเกิดเป็นสองฝ่ายขึ้นเมื่อพิสุชาวมังโกสัมพีใช่ไหมเที่ยวเลาะกันนะครับเป็นสองฝักงสองฝ่ายและแต่ละฝ่ายต่างก็เที่ยวประพฤติอนาจารอันไม่อันสมณะไม่ควรทําเป็นอันมากนะครอาจจะด่าว่ากันนะหรือก็ลงไม้ลงมือชฉต่อยตีกันเลยก็ได้นะครับไปในเรื่องของพิสุชาวมังโกสัมพีนะท่านพูดถึงนะมีการว่ากันนะครับและการมีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะ หนักขณะนั้นเลยนะครับอืมอ น, นั้นหนักแล้วก็ไปงานบัตรเยอะเลยน ะ, ะลาานแล้ว่องานจ้างนะครับพระส ม, มณะพิสูจน์สมิคนทํามเป็นมากนะครับภายหลันก็กลับมาอายใจคืนนะโอ้สํำนึกผิดได้ครับท่านจสะสามาอย่างลงสู่รักีธรรมครับความอายใจเกิดขึ้นมาแล้เราทําไม่ดีไปแล้วเนี่ยต้องการจปะปณีประนองกันแต่ ถ้าจะให้แสดงอาบันเปิดเผยโทษของตนของตนก็จะรุนทโทษของกันและกันใช่ไหมต่างฝ่ายก็ต่างมีความไม่ดีใช่ไหมมันต้องมาแสดงอาบันว่าเปิดเผยว่าตัวเองไปทำอะไรมาอย่างนี้นะทั้งที่มันมีอะไรคาใจกันอยู่แล้วตอนแรกใช่ไหมนครับเอ่อาจจะทําให้เรื่องบานปลายรับเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดก็จะเกิดขึ้นอีกทําให้เกิดการจบกันและกันได้อีกนะมันก็จะล้อนเดือดขึ้นมาอีกนะ กำลังจะสงบแล้วนะครับมเมืเปิดเผยรูท่อของการนั้นนะก็จะเดือดขึ้นมาอีกได้จึงต้องให้ปกปิดอาบัดเอาไว้ซึ่งโดยปกติอารบัดนั้นจะปกปิดไว้ไม่ได้เพราะมีที่ห่างไว้ปกปิดไม่ได้เลยนะต้องปรองนะถ้าไม่ปรองปกปิดไว้เนี่ยจนอนขึ้นวันใหม่ก็จะต้องอาบัดเพิ่มตัวอาบัตทุกกฎเพราะว่าปกปิดอารบัดไว้ทำลายปกปิดไม่ได้เลยต้องปรองนะครับแต่ในกรณีพิเศษพองอนุญาตให้ ปกปิดไม่ได้กบได้เหมือนยากนะครับไม่ต้องมานั่งปองอะไรอย่างนี้นะแด่ใช้วิธีสวดกรรมวารใจนะครับแต่ในกรณีนี้สงฆ์ช่วยปกปิดให้ด้วยเยติจุตกรรมวารใจเมื่อสวดจบลงอาบัตของพิกสุที่นั่งอยู่ในอัฏฐบาก็ระงับลงได้ทุกอย่างนะครับถ้าบอในสังกรมนี้นะคู่กรณีท้งสองฝากจะมีกี่รูปก็แล้วแต่นะเป็นสิบยี่สิบสามผมก็แล้วแต่ต้องมาเข้าในอับาทั้งหมดเลย จะมอบสันทานไม่ได้นะแม้ที่สุดป่วยก็ต้องหามาบอกผมป่วยผมไปไม่ได้มอบสันทานไม่ได้นะครับต้องมากระหมดเลยถือว่าสําคัญนะตรงนี้ถ้าตัวไม่มาอาบัติตนก็ไม่หลุดคต้องมาไปอาบัติจะหลุดเว้นแต่อาบัติปลาเช่นนี้ไม่หลุดนะพอจบเมื่อวานจานะอาบัติที่เหลือทุกอย่างเนี่ยหลุดหมดนะเว้นแต่อาบัติปราเช่นสังฆาทิเศตนี้ก็ไม่หลุดนะครับและอาบัติที่เกี่ยวเนื่องกับพวกข้าราชก หมายา็ว่าการด่าว่าคณิฐานด้วยคยําหยาบคายอวบพู้นี้ก็จะไม่หนุนนะครับด่าว่าโยเป็นต้นอวบกดไม่หูุนนะแปลเหมือนกันอวบที่หนึ่ผู้คณิฐานเนี่ยและการรับปฏิญญาว่าจะอยู่จอมภาษาเป็นต้นนะการรับปริญญาที่ชอบทำของโยและก็มายองทาําต่างอันนี้ก็ต้นอวบเหมือนกันทุกดนนะอั น, นอวบพู้นี้ก็ไม่หูหนุนเช่นได้ว่ารับปากโยว่า โยนก็นิมนต์ไปจำพรรษาใช่ไหมรับปากเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่ทําตามอนะก็ต้องระบปากเหมือนกันนะหรือรับปากจะสอนธรรมะให้โยแล้วก็ไม่สอนทีออ น, นี้ก็ต้องรับปากเหมนะือนกันไม่ได้อะไรนะครแล้วก็ต้องเป็นการลับปากที่เป็นธรรมนะครับถ้าไม่เป็นธรรมเราก็ไม่ต้องรับปากใช่ไหมอย่างที่ยกตัวอย่างรับปากมันจะสืบรับปากมันจะสืกแล้วถ้าก็ไม่สืบ อย่างนี้หนยดีนะครับห ม, <c oughs> มายความว่าตอนแรกท่านไม่ได้ตั้งใจจะโกหกหรอกท่านจะเสึกจเต็มที่แล้วเดี๋ยววันนี้หมดก็ไปเสึกจนะแต่พอถึงวันจริงวันเปลี่ยนใจนะครับอยู่ตอนที่วายเสรกจเลยอัอนนี้ก็อะไรนะไม่คทำตามปฏิญญาใช่ไหมแต่ก็ไม่มีการต้องอาบะติเพราะแต่ปฏิญญาที่เป็นธรรมแล้วก็มายอมทำตาม เลนไมคะ่ที่นได้อาบอกว่าิตไม่เอน่ต้องพูดแล้วแต่ว่าไม่ต้องพูดเริ่มสองฝ่ายแล้วาเอว่ามีไพ่แล้วก็ยาวาีจะพูดอยู่แหละแล้วนี้งไนะคะไม่ดซมันต้องต้องสองฝ่ายมันมคุยกัน่อนะสองฝ่ายคุยกันก่อนเพราะระบบเวลาสวนกรมมวาจานี่ไม่ใช่สองฝุนอย่างเดียวนะทั้งสองฝ่ายต้องสวดหรือว่าทั้งสองฝ่ายมีการยอมรับแล้วทุกฝ่ายละอายแก่ใจต้องการที่จะ ห้เรนี้จบไปแล้วนะถึงได้มาลงกรรมอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าใครที่ยังมีความเห็นแย้งไม่เห็นด้วยการทากรรมนี้นะพวกนั้นอาบัตเขาก็ไม่หลุดนะพวกทมีความเห็นแย้งอาบัตเขาก็ไม่หลุดก็ยังมีอาบัตติดไปนะเพราะนั่บอกว่าตอนที่ที่เขาสวดก็มาวาจานะที่สุดยุติความเห็นแย้ง คือไม่เห็นด้วยนะการมันงอกกำอย่างนี้นะ่ะไม่เห็นด้วยนะโอ่ยมันมันง่ายเกินไปมันยังไม่เคลียเราไม่เห็นด้วยแล้วก็มันทำกรำนี้อคนนั้นอาบาัดเขาจะไม่ดูนะกามีความเห็นนั้นแต่ตอนนั้นนะที่เขาลงกำแต่ถ้ามันเกิดที่หนังนั่นก็อี ก, อกเรื่องหนึ่นะงนะ